รัตไรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สบห้าสุตตันตปิดกขุท ธ, ธกาณิายเล่มยี่สิบห้านี้เป็นเล่มแรกของขุท ธ, ธกาณิายหรือหมวดเบตเตเล็ดได้กล่าวแล้วในตอนแรกว่าขุท ธ, ธกาณิายหรือหมวดเบตเตเล็ดนี้เริ่มตั้งแต่เล่มที่ยี่สิบห้าถึงเล่มสาสสารวมเก้าเล่มว่าด้วยหัวข้อใหญ่รวมสิบห้าเรื่องเฉพาะเล่มที่ยี่สิบห้านี้ มีหัวข้อใหญ่รวมอยู่ถึงห้าเรื่องคือ 1. คขุตกะปาฐะบทสวดเล็กเน้อยๆ 2. ยธรรมะปะทะาฐคาถาหรือเรียกสั้นๆว่าธรรมบทแปลว่าบทแห่งธรรมะว่าด้วยสุภาษิตสั้นๆประมาณ300้อหัวข้อ 3. อุทานว่าด้วยพระพุทธภาษิต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 ไม่ประมาทในธรรมะ21สิเอ็เคารพ22บสองเจียมตัว23สสันโดษยินดีด้วยของของตน24สรู้คุณท่าน25หฟังธรรมตามการ26อดทน27สว่าง่าย28สเห็นสมณนะ29สสนทนาธรรมตามการ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 ขข่เสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีมีคำสรุปว่าในธรรมบ ท, ม, บทมีคาถาหรือคำฉัน423บทบางเรื่องและบางหัวข้ออาจประกอบด้วยคำฉันหลายบทเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าประมาณ300หัวข้อจึงหมายเฉพาะเนื้อเรื่อง หมวดที่สอุทานว่าด้วยพระพุทธภาษิต ท, ที่ทรงแปลงออกมาปรารบเหตุการณนน์นั้นๆพระอัฏฐกถาจารย์อธิบายเรื่องการจัดระเบียบไว้ว่าอุทานนี้มี8ปดวรกล่าวโดยสูตรประมาณ80สูตรกล่าวโดยคถ า, าหรือคำฉันมี95บทใจความสำคัญในเรื่องอุทานก็คือเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น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 ทำท้องฟ้าให้สว่างฉะนั้นทรงเปล่งอุทานปรารบระสังคามชิผู้ไม่เยื่อใหญ่ในอดีตภริยาทรงเปล่งอุทานว่าผู้ใดไม่ยินดีผู้ที่มาไม่เศร้าโศกถึงผู้ที่ไปเรากล่าวถึงผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ชนะสงครามผู้พ้นจากความค่องว่าเป็นพราหม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 ความสุขทั้งหมดนั้นย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16หแห่งความสุขเพราะสิ้นตันหาหรือความทยานอยากวักที่สานันทวักว่าด้วยพระนันทะทรงเปล่งอุทานปรารอพระนันทะผู้เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาดังนี้ผู้ใดข้ามลมกามได้